บทที่12ชีวิตประจำวันคุณตายไปแล้วรู้ตัวว่าตายไปแล้วผ่านขีดอาการช็อกเพราะรับรู้ว่าตนยังมีชีวิตอยู่คุณผ่านประตูของโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งและปรับตัวให้เข้ากับบ้านใหม่แล้วทุกวันคุณทำอะไรขอบคุณคำถามและการกซักไซด์ของบูดกับเบตตี้กรีนการสื่อสารจากโลกนี้กับอีกโลกหนึ่ง เป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกเหมือนเราได้รับข้อมูลอย่างละเอียดเสียงต่างๆจดจำเหตุการณ์ทั้งหลายได้ดีจนกระทั่งมาถึงตอนที่พวกเขาต้องบรรยายว่าพวกเขาทำอะไรในแต่ละวันก็ให้เกิดอาการเหมือนว่ากาลังหมดแรงสูญเสียความทรงจำหรืออะไรต่างๆที่ทำให้พวกเขารู้สึกลำบากในการพูดหรือบอกเล่าให้คนบนโลกนี้ได้เข้าใจ เมื่อปี1953อังกฤษอยู่ในช่วงฟื้นตัวและสองปีก่อนนั้นมีเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นเอเลนเทรีบอกให้เรารู้ถึงเป้าหมายของการทำงานของชีวิตวูดพร้อมเพื่อนสามคนพาเบตตี้กรีนออกจากครอยดอนไปนั่งทรงกับเลนลี่ฟลินเป็นครั้งแรกเสียงที่ผ่านเข้ามา อ้างว่าเธอเป็นเด็กขายดอกไม้ชาวอังกฤษชื่อโรสพวกเขารัวคำถามใส่เธอเกี่ยวกับโลกที่เธออาศัยอยู่และเธอใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไรพวกเขาถามเธอเท่าที่นึกคำถามได้ที่นั่นเป็นอย่างไรวูดถามเมื่อการแนะนำตัวสิ้นสุดลงทีนี้คุณก็ถามฉันเธอตอบคุณขอให้ฉันพูดถึงโลกของเราในภาษาโลกของวัตถุฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ฉันว่าถ้าคุณคิดถึงสิ่งต่างๆที่สวยงามบนโลกโดยปราศจากสิ่งอันไม่น่าอภิรมคุณคงนึกถึงโลกของฉันออกธรรมชาติสวยงามรอบข้างดอกไม้นกต้นไม้ะเลสาบมีพระอาทิตย์ฉายแสงเสมอหรอใช่มีแสงแดดตลอดเวลาคุณอาจคิดว่าที่นั่นมีบรรยากาศเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่หรอกที่นั่นปลูกดอกไม้ง่ายกว่าที่นี่หรือ คุณปลูกมันมันก็โตไม่ต้องมีฤดูกาลงั้นเทคนิคก็แตกต่างกันนะสิเธอไม่ต้องรดน้ำเหรอไม่จำเป็นเท่าที่ฉันรู้พวกมันโตได้โดยธรรมชาติโลกของเธอเหมือนโลกนี้ไหมบูรถามหรือเพียงแค่สวยกว่าฉันคิดว่าที่นั่นขอโทษเธอคะ่ะฉันพูดได้แค่สถานที่ที่ฉันอยู่ฉันหมายความว่ามีโลก อันกว้างใหญ่หลายชั้นหลายบรรยากาศหลายหลายสภาพชีวิตแต่สถานที่ที่ฉันอยู่มันเหมือนชนบทอังกฤษที่งดงามฉันอธิบายได้ใกล้เคียงที่สุดก็คงเป็นเท่านี้แต่ฉันเข้าใจว่ามีธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆอีกถ้ามองมาจากจุดนั้นมีหมู่บ้านกับเมืองหรือเปล่าเขาถามเราไม่มีเมืองตามความเข้าใจของคุณมีสถานที่ต่างๆซึ่ง ฉันคิดว่าคุณคงเรียกมันว่าเมืองก็ได้นะแต่ที่ต่างๆมีคนมากมายนับพันมารวมกันอยู่ไม่มีรถบัสไม่มีรถรางและสิ่งไร้สาระพวกนั้นงานพวกเธอเดินทางได้อย่างไรเดินเอาหรือถ้าเป็นทางไกลก็แค่ใช้ความคิดคิดถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วหลับตารู้ตัวีกจีพวกเราก็ไปถึงที่ตรงนั้นแล้วเธออาศัยอยู่ในบ้านหรือเปล่าโรส ฉันอยู่ในบ้านแต่ไม่จำเป็นหรอกแต่ก็นั่นแหละฉันก็ไม่เห็นใครที่ไม่อยู่ในบ้านเลยบ้านที่นั่นเป็นยังไงเหมือนกับที่นี่ไหมมีบ้านทุกแบบเลยค่ะบ้างก็เป็นกระท่อมเล็กๆเหมือนที่เห็นกันตามชนบทบ้างก็ใหญ่โตเป็นบ้านสำหรับครอบครัวจุดสำคัญอยู่ที่คนเลือกอย่างเช่นต้องการสถาปัตยกรรมแบบไหนแน่นอนทุกอย่างเป็นของจริง ฉันหมายความว่าคนที่นี่สร้างมันขึ้นมาไม่ใช่แค่เกิดขึ้นจากความนึกคิดไม่ใช่แค่คิดถึงกระท่อมแล้วก็จะได้กระท่อมไม่ไม่บูดพึมพำฉันหมายความว่าที่นี่คุณมีสถาปนิกและนักออกแบบพวกเขาสร้างสรรค์ประดิษฐ์มันไม่ใช่งานยากลําบากใช้แรงงานอย่างที่ในพบของคุณเขาทํากันแต่มันเป็นรูปแบบแท้จริงที่ดําเนินไป ที่นั่นพวกคุณไม่ใช้เงินหรืออะไรแบบนั้นหรือเงินคุณไม่ได้ใช้เงินซื้ออะไรนี่สิ่งเดียวที่คุณได้รับที่นี่คือบุคลิกลักษณะและวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการคิดและการกระทำแต่ผมสงสัยบูดซักพวกเขาคุณบอกว่ามีสถาปนิกทางานให้คุณใช่ไหมอ๋อคุณไม่ต้องจ่ายเงินให้พวกเขาหรอก เขาทำมันเพราะเขารักที่จะทำเขารักที่จะออกแบบบ้านรักที่จะทำงานอย่างนั้นและเขาก็ทำมันเหมือนกับนักดนตรีที่รักจะเล่นไวโอลินเขามีความสุขที่ได้ให้ความบันเทิงแก่เพื่อนของเขาและคนอื่นๆคนที่รักดนตรีก็จะฟอร์มวงออเคสตราและร้องประสานเสียงทุกคนทำทุกอย่างด้วยใจรักเหรอทุกอย่างทำด้วยใจรัก และบางคนที่ไม่มีโอกาสในชีวิตบนโลกเพื่อทำอะไรที่ตนต้องการบางทีเขาอาจอยากเป็นนักดนตรีหรือศิลปินที่นี่พวกเขาจะได้เรียนได้ศึกษาในด้านนั้นๆพวกเขาทำทุกอย่างที่อยากจะทำเลยเหรอถูกต้องอีกอย่างคุณคิดถึงคนนับล้านๆคนที่ยังอยู่และต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพสิคะพวกเขาไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่อยากทา ไม่มีเวลาหรือภูมิหลังไม่อำนวยพวกเขาอาจไม่มีเงินหรือไม่มีความรู้ที่นี่พวกเขาสามารถมีอะไรต่างๆได้มากมายที่มีความหมายต่อพวกเขาจริงๆและเขาจะได้ทำมันมันทําให้พวกเขาเบิกบานมีความสุขถึงมันจะเป็นงานแต่ก็มีความสุขเธอกินอะไรกันบ้างหรือเปล่าปูดเปลี่ยนเรื่องเรามีผลไม้กับลูกนัดเธอตอบ เรามีต้นไม้ฉันหมายความว่าเรามีต้นไม้ที่ให้ผลไม้และลูกนัดและทุกอย่างที่คุณมีบนโลกที่เรียกว่าอาหารที่นี่จะไม่มีการฆ่าสัตว์เราไม่กินเนื้อสัตว์เนื้อมา้าอะไรอย่างนั้นแล้วเธอทำอะไรกับดอกไม้ของเธอโรสเธอตกแต่งมันกับสถานที่นั้นหรือเปล่าอ๋อใช่สิคุณทำได้ถ้าต้องการคุณสามารถตัดดอกไม้และเอามันตกแต่งในบ้าน แต่น้อยคนนักที่จะทำอย่างนั้นบ่อยครั้งสำหรับคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆพวกเขาเจอดอกไม้และคิดว่าคงจะดีถ้ามีมันไว้ในบ้านแต่ความจริงแล้วพวกเขาจะได้เริ่มเรียนรู้ว่ามันไม่สาคัญหรอกและบางทีอาจไม่ดีนะักดอกไม้ควรได้อยู่กับธรรมชาติเพราะมันมีชีวิตและไม่เหมาะสมนักในการนำมาตกแต่งเพราะธรรมชาติจะมีความงามอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว ถ้าคุณนั่งอยู่ในบ้านอยากเห็นดอกไม้ข้างนอกก็ไม่จำเป็นจะต้องตัดเอาเข้ามาแต่งในบ้านและไม่จำเป็นจะต้องเดินออกไปแค่คิดถึงคุณก็จะได้เห็นมันฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าคุณจะต้องเปิดประตูหรือหน้าต่างไหมพวกเราไม่ต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่อยากจะทาฉันหมายความว่าฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้ของฉัน และสามารถคิดว่าอยากไปร่วมวงเข้าทรงกับพรินต์ฉันก็แค่คิดและหลับตาไม่กี่นาทีต่อมาฉันก็มาอยู่ที่นี่กับพวกคุณหน้าขำหน้าประหลาดแต่ช่วยไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาและสถานที่ไม่มีความหมายใดๆแล้วเรื่องการแต่งงานหรอโรสอ๋อคุณเริ่มเรื่องอื่นแล้วอยากรู้อะไรล่ะคะผมอยากรู้ว่าคุณทาอย่างไรกับความรักในภพของคุณ คุณหมายความว่ายังไงคะผมเข้าใจว่าคุณไม่มีการแต่งงานแล้วการแต่งงานคืออะไรล่ะการแต่งงานก็แค่กฎหมายที่มนุษย์ตั้งขึ้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรบนโลกนั้นคุณมีความรักได้ใช่ไหมให้ตายเถอะนี่คุณไม่เข้าใจเหรอว่าฉันพูดอะไรผมคิดว่าเข้าใจนะแต่เออผมอาจจะมองข้ามบางจุดไปเอาล่ะคะ่ะสิ่งที่ฉันพยายามอธิบายก็คือ เมื่อคนสองคนรักกันและพวกเขาเหมาะสมซึ่งกันและกันมีความสุขร่วมกันมันไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่มนุษย์บัญญัติขึ้นหรือพิ ธ, ธีรีตองเพื่อคนเป็นสามีภรรยากันที่นี่เราไม่ต้องใช้กฎหมายในการสมรสหรอกแต่ก็ไม่มีเด็กๆ ด, ด้วยน่ะสิที่นี่มีเด็กๆแต่ไม่ใช่ลูกๆที่เกิดจากการแต่งงานแล้วคลอดที่นี่มันไม่ใช่เรื่องของสรีระภาคอย่างที่คุณเข้าใจ มีสัตว์เชื่องเชื่องด้วยใช่ไหมคำถามของบูดเปลี่ยนหัวข้อลงไปอีกเชื่องค่ะใช่ฉันหวังว่าแรกๆที่คุณมาที่นี่คุณควรคิดอย่างนั้นแต่แม้ฉันก็ไม่อยากเห็นสิงโตเดินผ่านหน้าประตูบ้านของฉันหรอกนะแต่คุณคงไม่คิดอะไรแบบนั้นสัตว์ที่นี่เชื่องเหมือนแมวสัตว์ไม่ฆ่ากันใช่ไหมไม่นี่เป็นเรื่องของวัตถุความต้องการอาหารและความหิว ความปรารถนาทางวัตถุคือแรงผลักดันให้เกิดการฆ่าแต่ที่นี่ไม่มีแบบนั้นเพราะความปรารถนาในอาหารมันสูญสิ้นไปดีจังเบ็ตตี้กรีนว่าไม่ต้องทำอาหารก็ใช่ถ้าคุณมองแบบนั้นแต่ก็นั่นแหละต้องมีการทำอาหารเพื่อคนที่เพิ่งมาอยู่ที่นี่แรกๆเราต้องทาอาหารให้พวกเขาเพราะพวกเขายังรู้สึกว่าตนจะต้องรับประทานอาหารแต่พออยู่ๆไป ความรู้สึกพวกนั้นจะหายไปเองคุณได้นอนบ้างหรือเปล่าอ๋อนอนสิเราต้องนอนถ้ารู้สึกล้าแต่มันไม่จำเป็นใช่ไหมใช่มันไม่จำเป็นเธอไม่เหนื่อยบ้างหรือฉันไม่เคยเหนื่อยเลยไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตคุณจากไปและเวลาที่เหนื่อยล้าทางจิตใจเราก็แค่ทาจิตใจให้ผ่อนคลายหลับตาพักผ่อนสักพัก แล้วค่อยลืมตามใหม่ก็จะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยอีกต่อไปคุณบอกว่าไม่เคยให้ความสำคัญแก่เวลาและสถานที่แล้วสิ่งต่างๆดำเนินไปได้อย่างไรล่ะคุณจัดการมันได้อย่างไรฉันไม่รู้ชัดหรอกนะเท่าที่เข้าใจที่นี่ไม่มีเรื่องของเวลาที่เป็นมาตรฐานเราไม่นึกถึงเวลาฉันรู้คุณคงไม่เข้าใจหมายความว่าคุณจะคิดถึงเวลาตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่า แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีผลอะไรกับเราเราไม่มีเวลาเหมือนที่คุณมีเวลาเป็นสิ่งที่คนกำหนดขึ้นมาแล้วที่นั่นมีกลางวันกลางคืนหรือเปล่าไม่หรอกแม้คุณมีความรู้สึกเหมือนจะให้กลางคืนมาหาคุณถ้าคุณต้องการพักผ่อนก็เพียงแค่หลับตาคุณก็จะได้ก้าวเข้าสู่สภาวะซึ่งคุณอาจเรียกมันว่าเป็นแดนสนธยาฉันไม่รู้หรอกว่าจะอธิบายมันอย่างไร รถแล้วคุณได้เคยไปดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือเปล่าฉันเคยไปบรรยากาศที่ต่ํากว่าแต่ฉันไม่เคยไปดาวดวงอื่นอย่างที่คุณเข้าใจเออคุณหมายความว่าดาวเหมือนอย่างที่เป็นแบบโลกอย่างนี้ใช่ไหมดาวอังคารหรือดาวพระศุกไม่ขัดไม่เคยไปฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดาวอังคารหรือดวงดาวอื่นต้องคนที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ฉันเปลี่ยนหัวข้อสนทนากันอีกครั้ง ที่นั่นมีกฎหมายอะไรแบบที่นี่หรือเปล่าบูดถามมีกฎหมายธรรมชาติรสตอบซึ่งเราทุกคนเริ่มรับทราบหลังจากเรามาถึงไม่มีกฎหมายนิติบัญญัติไม่มีกฎเกณฑ์องค์กรอย่างรัฐบาลอะไรพวกนั้นแต่มีกฎหมายซึ่งเป็นกฎทั่วไปเราทุกคนรู้ดีเข้าใจละ่ะแล้วมีเมฆมีพระทิศฉายแสงหรือเปล่ามีพระทิตศฉายแสงค่ะ มีเมฆบนท้องฟ้าตลอดเวลานั่นเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในความสวยงามคุณคิดว่าท้องฟ้าต้องเป็นสีฟ้าไม่เลยมันอาจเป็นได้ทั้งสีเขียวสีแดงหรือทุกสีที่สวยๆที่นั่นคงมีสีสันที่งดงามใช่คุณนึกไม่ถึงหรอกบางสีเราอาจไม่เคยเห็นบนโลกนี้มาก่อนด้วยซ้ำเราไม่ได้ถูกจำกัดเหมือนพวกคุณ เสื้อผ้าล่ะโรสคุณสวมเสื้อผ้าไหมเป็นคําถามที่ดีนะคะใช่ค่ะเราสวมเสื้อผ้าเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่หรือเปล่าไม่หรอกค่ะฉันไม่ได้สวมเสื้อผ้าอย่างที่เคยใส่ฉันไม่หวังว่าคุณจะสวมสูตรอย่างนั้นเวลาที่คุณมาอยู่ที่นี่บรรยายเรื่องเสื้อผ้าที่เธอสวมตอนนี้ได้ไหมผู้คนสวมเสื้อผ้าอย่างที่พวกเขาชอบอยากสวมแน่นอนต้องเป็นแบบเดียวกับที่เห็นบนโลก ตอนมาถึงที่นี่เมื่อใครคนหนึ่งตายไปในศตวตรรษใดๆในยุคใดๆของเวลาพวกเขาจะคิดเสื้อผ้าเฉพาะแบบที่สำคัญต่อพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะสวมเสื้อผ้าในยุคนั้นๆอยู่สักระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นพวกเขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญบางทีหลังจากนั้นมันอาจจะไม่เหมาะกับพวกเขาเลยบางทีพวกเขาอาจไม่มีความสุขที่ได้สวม และพวกเขาก็จะเปลี่ยนรูปโฉมการแต่งกายถึงตอนนั้นพวกคุณสวมอะไรกันฉันไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงแต่ฉันสวมชุดติดกันสีขาวยาวจรดเท้าเป็นชุดตัวหลวมๆเหมือนชุดนอนตัวยาวปลายแขนกว้างและฉันมีสายคาดเอวเป็นเชือกเกลียวสีทองฉันมีชุดแบบนี้หลายตัวจนคล้ายกับเป็นเครื่องแบบในการแต่งกายนั่นเป็นผ้าอะไรนะ่ะ ฉันคิดว่าคำอธิบายที่ใกล้เคียงน่าจะเป็นผ้าไหมอะไรสักอย่างและตอนนี้ฉันไม่ได้ไว้ผมสั้นแล้วมันออกจะยาวทีเดียวเธอไม่มีปัญหาเรื่องการอาบน้ำสระผมใช่ไหมไม่แต่คุณว่ายน้าได้คุณลงน้ำได้ทุกเวลาที่ต้องการแต่คุณจะไม่สกรปรกที่นี่ไม่มีฝุ่นเศษผงหรือว่าโคลนมีทะเลไหมเออฉันยังไม่เคยเห็นทะเลเลย ฉันเคยเห็นแต่แม่น้ำทะเลสาบแต่ฉันยังไม่เคยเห็นทะเลมีเรือด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีเรือลำสวยๆเรือน่ารักอย่างที่คุณเคยเห็นในเวนิสไม่ใช่เรือสารานลำใหญ่ๆ ห, หรือพวกเรือเทียบชายฝั่งอะไรแบบนั้นแล้วอย่างเรือกอนโดร่าล่ะมีไหมใช่ค่ะมีน่ารักมากตกแต่งด้วยดอกไม้บางทีเออเราก็มีฉันคิดว่าคุณเรียกว่า งานกาล่าหรืออะไรสักอย่างคือเราจะมีงานเลี้ยงฉลองบางครั้งก็จัดบนน้ําทุกอย่างสว่างสวแต่ไม่ได้สว่างด้วยไ ฟ, ฟฟ้าหรือกา๊าซหรืออะไรพวกนั้นแต่สว่างด้วยจิตใจของผู้คนมันเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะอธิบายได้น่ารักจังบูดอุทานและเธอก็มีเมืองใหญ่ๆมีเมืองใหญ่ที่สวยงาม เรามีโรงหนังและสถานที่ที่เราเรียกว่าสถานเริงรมไว้บรรเลงเพลงมีการแสดงเรามีเครื่องดนตรีทุกอย่างที่ใช้กันในโรงมหาหรสพบนโลกเพียงแต่มันเหนือกว่าทุกอย่างจะใช้งานได้ไม่มีอะไรสูญเปล่าและใช่เสียงหัวเราะเรามีละครตลกไม่ได้สูญเสียอารมณ์ขันไปด้วยตอนที่เราตายหรอกนะบางคนไม่คิดอย่างนั้น ฉันเคยคิดนะว่าฉันจำอะไรเกี่ยวกับบทวันาทิตย์ได้บ้างเขาเคยสอนว่าสิ่งต่างๆที่เราจะได้เผชิญหลังความตายมีอะไรมันแตกต่างจากที่ฉันได้เจอพวกคุณเคยได้รับการสอนอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะโชคไม่ดีพวกเขาก็ายังสอนแบบนั้นอยู่เวตตี้กรีนบอกก็นึกภาพตามที่ฉันบอกสิคะที่นั่นมีโรงเรียนด้วยใช่ไหมบูดถาม มีโรงเรียนมีพิพิธภัณฑ์มีสถานที่ต่างๆให้คุณได้ไปรับรู้ถึงประวัติของมนุษยชาติเชื้อชาติมีสถานที่ดีๆให้ความรู้ไม่มีอะไรสูญหายไปพวกเธอคุยกันหรือเปล่าอะไรนะคะพวกคุณคุยกันไหมมันก็ไม่จำเป็นหรอกค่ะแต่ก็นั่นแหละทุกๆอย่างอยู่ในขั้นพัฒนาไปแล้วหลังจากที่มาอยู่ที่นี่ได้สักระยะ จะมีการเรียนรู้ปรับตัวและรู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องคุยกันพวกเราแค่ส่งกระแสความคิดออกไปและได้รับกลับมาเป็นโทรจิตโทรจิตขั้นสูงใช่ไหมก็อย่างนั้นเลยค่ะตอนนี้ฉันยังทำได้ไม่เก่งนะักก็หวังว่าจะเป็นสักวันหนึ่งผมเข้าใจแล้วบูดบอกทุกอย่างที่คนทำบนโลกนี้จะเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมโรถไม่ตอบมีอีกเสียงถามขึ้น คุณพูดอะไรนะ่ะแล้วก็เงียบไปขณะผู้ร่วมทรงรับรู้ว่าเธอกำลังจากไปหรือกำลังถูกคลักออกไปลาตีสวัสด์เธอกล่าวฉันจะมาหาพวกคุณอีกคราวหน้าเธอหยุดไปอีกหลังจากนั้นอ้อฉันลืมไปสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะทุกๆคนขอบใจจ้ะโรสเธอเองก็เช่นกันโรสรักษาสัญญาของเธอ เธอกลับมาหาพวกเราอีกเกือบสิบปีให้หลังพร้อมเล่าเรื่องโลกใหม่ในอีกมุมหนึ่งตอนนี้โรสแก่ขึ้นไปอีกสิบปีเธอมีพัฒนาขึ้นไปอีกสิบปีชีวิตใหม่ของเธอย่อมเปลี่ยนไป